การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตัง้งแต่สร้างวัดเพราะเป็นปกติอย่างนั้นมายิาง่งมีพระมากเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้วาดการอบรมสั่งสอนก็ออยิ่งปล่อยมือไม่ได้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 ไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออาจต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับพรอวาทคําสอนได้ ร, รับการอบรมเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปคือวาจยา์ผู้เป็นอัจเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ ทงพ่อแม่กลัวจานมั่นเป็นต้นให้การดลลุมจนเท่าแก่ชลาขนาด น, นั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้า ง, งมีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือ ดังพราะว่าจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5านั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อ ย, ยไม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้า บ่ายสามโมงสี่โมงประธานรัวว่าให้แจกประชาชนทั่วไปนับแจกพระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่มสองทุ่ ม, มประธานพระโอวาสแจกพิษสุบริษัทหกทุ่มรวมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวันดาสามแม่ ปัดชิมยามไปแล้วก็ทรงเรนยานดูสัตวโลกผู้ใดจะมีปณิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพวงได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อแกรู้เห็นธรรมหรือรับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก่อน เสด็จออกบิณฑบาตนี ม, ม, มีห้าประการเรียวฯกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจา้าการทรงพักผ่อนหรืองดเพ้นบางบางจิตบางประการก็ตามพระอัจฉ า, าสัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นองศาสด า, าของโลก ด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจข้าจึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดําเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นอย่างเฉพาะอย่างยิ่งการประทานโทวาทในพุทกสุขนี้รู้สึกจักถือเป็นกิจจาเป็นอย่างยิ่ง กับการแก้ปัญหาเทวันดาพิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและเดบรรลุกทำต่อพระภักของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากมายเหตุที่เกิดเนบันลุกทำอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจานวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติ ที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความตรวจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มบกเต็มใจเพื่อรู้แย้มแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มทัติกำลังของตนที่จะพึงรู้พึงเห็นได้ด้วยเหตุนี้ตาเป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ําจะไหลลงมา น้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่ง้ยปากไว้แล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรุญผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรุญผลนิพพานเหตุไดจึงไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ ครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงินนั้นผ่านเงินนั้นไปได้โดยลําดับลําดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจํานวนมากอฟังคราวนี้องค์น well, ั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปมาถ้ามาด้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นอง์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองคนั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลําดับลำดับเมื่อมีจำนวนมากต่อมาก็ต้องดับรรลุธรรมเป็นลําดับลําดาไปด้วย ความผ่านประเดิมแบบของการฟังแต่ละครั้งนี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาสจากท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยรู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้ อย่างนี้อย่างนี้เลื่อยไปโดยลำดับลำดับมีเราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่าเพื่อครานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังทำแต่ละครั้งละครั้งมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นคิ ป, ปาพินยาที่บรรลุธทําได้เร็วจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตารา ตำราก็คือทำความบประียเจ้ออกมาจากความจริงคื อ, องศ า, ศาสดาเป็นผู้ทรงนาเดินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนําเรื่องความจริงนั่นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลําดับมาภพอุคติตัญยูวิปปิตันยูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเ น, นยยะ ก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทาไปโดยลาดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อ น, นี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง ในขั้นทำทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยําทุกสัดทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแฉปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นได้จะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายแล้ว ชอบมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอยา่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงดลเนื้อธรรมของท่านเป็นลําดับลำดับไป คำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตัวเองได้แต่ตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามมีท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยนี่เรียกว่ารู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอีกอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอีกอย่างน่ะผิดกันอย่างนี้คําว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรื่องของบารรลุธรรมขันนั้นขันนี้ไปเรื่อย จึงฉันเป็นหว่วงมุ่งเพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ อ, อเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มตัวติกาลังความสามารถ ของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดา ท, ที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีใจใจที่จะให้การรมสังสอน ม, ม, สมือเพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชื่อก็เรียกว่าสามเกลียวฝันติดกันไว้แล้วคือปริยัต ปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดยังได้อย่างหนึง่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมคลืนกันไปดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมคลืนกันทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรม รู้แจงแจงตลอดทั่วถึงไปหมดทำทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างท่าสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดัรทมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยจะจกปัญจกกรรมฐานเป็นต้น เมือมีโอกาสอุบาชาอาจารย์ก่อแสดงหรือพระพุทธเจ้าก่อแสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันรูปประขันเป็นสําคัญในขั้นเดิมแต่ท่านจึงสอนเกสาโยมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดทันอยู่กับรูปประขันนี้เป็นสําคัญกว่าอย่างอื่น จึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐานห้านั่นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชกุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจ้งออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการสามยิบสองผมขนเลยบปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก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 เมืองต้นท่านเพียงถึงเกษ า, าถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะํำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งสมมตม้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขาทั้งหลายหลงงมงายติดอยู่ในสิ่งโล่านี้ แล้วพอยติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจรารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ ง, งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี่ทีแรกก็ตัดต้นไม้ดายหญ้าออกความลกลุมลังอันเป็นส่วนหยาบ ก, ก็ แต่กลายเป็นความเตียนโลงขึ้นมานอกจากความเตียนโลงนั้นแล้วสิ่งที่นบลุงลังทับจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กว่าปัดทุกวันทุกวันและเมื่อถูกปัดทุกวันรานวัดก็ต้องเกี้ยงเก่าไปตามๆกัน ก, น ก, นการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หยอ่อน ก็ยอมทราบความจริงไปโดยลำดับัดๆจนซึ่งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปประขัย น, นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยปัญญาชอบธรรมนี่ท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้ว ทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บาเพ็ญโดยลําพังตนเองก็ไปปฏิบัติดูอย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำหนับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นแคบแคบถึงขั้นกว้างขวางเลือกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลย โดยเหตุนี้คําว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมคมคืนกันด้วยความจําเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปรยปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวกับปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียงได้แต่ลมแล้งเท่านั้นแต่ลมแต่แง้งเนื้อนาเนื้อไม่ได้น้ํำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติ เมื่อเรียนจําได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเจซาลุมานาคฆ า, าตันตาตะโจไอ้รู้วันนี้คือผมผลเนฟันหนังนะแต่ค้งนี้ให้พิจารณาผมผลเนฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไป มีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสนัพังร่างกายจิตใจ ย, ย่อมซึมทราบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นยําซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสล ด, ดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นเห็นกาย โลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพรทุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเทราะทำงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้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 กลเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาพรรใใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลําดับลาดาไปอยังรูปประคันเท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นเนี่ย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 มันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาดูเช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปประคันของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด เพลิดเพินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้าหนหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับพากฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดัเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่กลายความจริงที่มีอยู่แล้ว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 เวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันดูด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะเอาไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่างนี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความเปี้ยวกล้ า, าสามารถเป็นได้โดยลาดั บ, ดบได้เช่นเดียวกันหมดนี่ละ ว, วิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงาน คือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับจีกันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็ง สนใจใคร่ต่องานของตนอยายเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความตอดถอนกิเลสความยึดมั่นถี่มั่นในขันทั้งหลายมีรูปขันเป็นตน้นมีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลาง ทำกับกิเลสอาศัยอยู่กับกิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใ ด, ดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟอ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อทำให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบยา่ามเยียบยำทำลายธรรมให้นำสติปัญญาเข้าหาักห้ามสกัดรัดกั้น แล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันใดแง่ใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจน ด, ดังที่อธิบายมันมีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันหนักเท่าไรก็ต่างฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทางานดูเฉยเฉยมันก็ ไม่เห็นมีความสุขอะไรนะักเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปงนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวานแต่หนามมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ปืนแต่ไฟมาเผาลุนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสําคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผักดันออกไปบังคับออกไปให้คิด นอกรูนอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผาล้นตนเองไม่มีสิ่งใดหนือกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสําหรับผู้เป็นนักครบเพื่อความเพื่อชัยชนะในสงครามในเกศระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะ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 อดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น <c oughs> สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงําเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทย เราจงนำทำที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกํากับตนมาเป็นเครื่องจัดราวุธมาเป็นสเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้เดี๋ยวทำหน้าที่เก็มเม็ดเป็นหน่วยไม่ลดละทอ้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนดูด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตาย ถึงจะไม่ได้ทําอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วๆไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับพิเรนเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลาบากลําบุเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับพิเรนด้วยความภาคเิจันเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทําไมเราจะท้อถอย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 เพื่อเพลินในแกลบในรังอาหารต่างๆโดยไม่คํานึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเฉียงสับยําเมื่อไหร่เขาหมอตมมหมอแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คํานึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบอดมาบวชมาเป็นศิรษะโคตเพื่อเป็นนักปราดฉลาดแย้มคมต่อทิเดีดทั้งหลายาดฟันหันแหละกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติสติปัญญาของเราแล้ว เอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้ามันเป็นของเราเอาทุกข์กระทุกปลไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเห็นได้เราจะมาเพ่งเลนเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเปลี่ยนนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้หรอความจริงไม่อานวย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 ป่าชามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยไถ่เดียวเพราะอำนาจแห่งความเพี่ยนนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ัทร ง, ทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระอาจารย์ได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ <c oughs> ถึงพระองค์จะริพานไปแล้วก็ตาม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 นันมันจะเหยียบย่ําทําลายตลอดไปไม่มีทางที่เิเลตเจเลตจะถอยตัวเมื่อเรา ย, ยอมจำนวนมันมันจะต้องเหยียบย่ําทําลายหนักมือเข้าทุกทีทีจนกระทั่งถึงประราชัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้กันอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยัยเราได้เรียนมาแล้วทุกๆอกองไม่เป็นที่สงสัยแล้ว ยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซงให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟอ้อต่อยตามเภอใจของกิเลยพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวาตายก็ตาย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 บังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กั บ, บกรรมริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเอเหมือนคนจะตกเขียวตกบ่อระมัดระวังตัวเริอเดินข้ามน้ําสะพานไม้ลําเดียวนั่นเนี่ยระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองเจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จัก แล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะที่เลรศฉุดล่าไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรแกการสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขันนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเอง วาละใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่กายดูเรื่องธาตุเรื่งขันทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนว่าเต็มไปด้วยนิจังทุกขังนันตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยนิจังทุกขังนันตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกนั้นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในนิจังทุกขังนันตาทุกขกินทุกส่วนแม้จะอยู่ ใ้ท่ากลางแข่งขันที่เต็มด้วยาจังทุกขังตาจิตก็ไม่เป็นถุกนั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงจงฝึกฝึกจิตให้มีความเฉหลียดเฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี่ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควนอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวภาพภากจากไปทั้งท่านทั้งเรามัน้เป็นอยู่อย่างนี้ ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึนประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอ ก, โอกาสไปเสียเหนือตั้งแต่โมฆะสิไม่เป็นประโยชน์ภานในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งอยากและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตรงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวด เราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติดกําลังความสามารถเมื่อรู้จะจะรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดพันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นตัวดือ้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพายขนองไม่ใช่อะไรพายขนองนะกิเลสตั้งหาพาดื้อด้านหารสู้ทําไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นทำที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบตามกิเลสอันเป็นตัวขฆาสุ่สําคัญก่อ ควรอยู่ตลอดเวลาภายในใจให้มันหมอบลาดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบกเิเยกว่าสมาธิก็อย่างดีและปัญญาให้คลี่คลายมันออกไปพิจพิจารณากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สําคัญสําคัญใงความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะกล้าไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับลาดาในแง่ใดก็ตา่างให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเทียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเรา ระหว่างขันกับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้อิจ ด, ดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสาคัญเหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี่มันเป็นตัวการนั้นสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี้นี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคอย่างการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียร เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกําลังสามารถโดยลําดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลําดับลําดับไม่สงสัยไม่ถามใครอืเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นอะไรเพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จังรูปนะสําคัญรูปกายเป็นของสําคัญอที่จะเลือกําแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทําลาย ค่าสุดได้มันสําคัญกําแพงมันขวางกันอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกําแพงมันสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากําแพงเกล็ดชั้น <c oughs> สติปัญญาแทงทะลุตาฟ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยแล้วไอ้หนังบางๆนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่งกว่านี้กว่าทะลุเน <c oughs> ี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาปัญญาวุธแทงทะลุหมด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 นั่นแหละคือผลแห่งงานที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความดุพ้น์นั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศาจรรย์ในเห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิดเลสตัวใดจะมาให้ค่าอีกแล้วทําความเพียนเพื่อฆ่ากิดเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันทันิพานท่านก็ทําตาม คติที่เราเคยพูดนะนักปราณไม่อิ่มทำว่า ย, ย่างนั้นความจริงก็ท่านเจตนาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับกิจจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขเป็นความ ส, ด ะ, สะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นรากไปหมดแล้วโดยเฉพา่ขันธ์ที่มันดิ้นดุกดิบดกดิกดุกๆิบมีนั่นแหละจึงได้เห็นชัด ที่นเรื่องของขันนี่ปราถจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี่ทั้งห้านี่มันเป็นสมมุติกิเลสเป็นสมมุติเมื่อกิเลสตางไปแล้วขันทั้งห้านี่เป็นสมมุติยังครองตัวอยู่ <S <S เราจะเห็นได้ชัดที่นี่กิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันนี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุนนนนทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันมัน ดิ่นหยุดดุกเด็กดุกเด็กดิ่บทั้งวัน ท, ทนั้งคืนเดนเดินตันน้งนอนเม้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมนันทั้งดิ่นของมันอย่างนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันทั้งดิ่นของมันดุกเด็กดุกเด็กดุกเด็กจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่ยังรู้ได้ชัด ถากิเลสไม่หมดซะจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้ธาราฮาเวปันจากขันธาพาราฮาโรจัปปุกะโรเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิน้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันนี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพัน มีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปผายืนผาเดินผานั่งผานอนผาขับผาถ่ายผาอยู่ปุวายมีตัแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันทั้งๆที่จิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์แ้วนั้นไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังคลองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิดวงนั้นยังเรียกว่าจิตพอตัว นี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันที่มันดิ้นดิดติดตัวติดตยิ่งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บรรชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันเอาพูง่ายๆอย่างนี้สังขารขันสัญญาขันนี่ตัวสำคัญ ม, มากทีเดียวมันดิ่นไปดิ่ น, านมายังพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้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 หาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านทำในตาราไม่ได้เพราะตำราเป็นของกินออกไปจากใจที้ความกินเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห็น จ, จริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียว ก, กราบทำทั้งหลายน้อยทำมันลูกเรื่องกายเวทนานี่นมันก็เข้าไปถึงกิจเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปนี่ <c oughs> แยกแยะสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรก็ขเขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเดี๋ยคยได้อ่านเปล่า ปฏิบัติธรรมคุณพระกรรมฐานท่านอัจยเคยได้อ่านเป่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกประเทศเวทนาเมื่อเป็นเวทนากายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็ บ, บอกว่าชาัดๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจ็บที่ตรงไหนเจ็บไปที่กระดูกตรงนี้หัวเขา่าหรือตั้มนดดูหัวเข่านี่อา้าวไม่ให้มันไปไหนล้วจิตอะ เอาเขานี่ตรงตรงนี้เอาเอาเอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกถ้าหนังเป็นทุกทุกดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่น่ะถ้ามันเป็นเดียวกันทุกดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่หรือเนื้อเป็นทุกถ้าวันเนื้อเป็นทุกเวลาทุกยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกเกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกัน กำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกําหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันก็ชัดในเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมดูเยมันก็เีแต่นั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีนึกจิตนี้ได้เป็นทุกถ้าว่าจิตเป็นทุกทุกประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทําไมจิตมันมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมไม่เห็นมีทุกประเภทนี้ ติดตัวมาสแสดงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ ด, ดั้งเดิมมาจนปัจจนนี้ใช้วเวลาทุกคนนี้ดับไปเข่นเรานั่งมากเรานั่งนานเป็นทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั้นปวดนี้ใช้วเวลาทุกข์ดับไปธรรมะใจมีอยู่ธรรมะใจกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กําหนดดูรู้ตรงตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันนี้ไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั้นพิจณาสังเกตมันอยู่นั่นทุกข์กับทุกข์ออก ขนาดไหนให้มันรู้เราอยาอยากเราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่เป็พิจรณาอย่างนั้นนะอย่างนี้ผู้อ่ะวันยังไม่ตกบางวันจนกรทั่งวตวันโถ่จริงๆไม่ถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่างยกมือสาธุ ด, ด้วยนะทั้งสัจจะอิฐานเลยนะบางบางวันยังไม่ได้ทีดว่าจะนั่งตลอดลุงนะ นั่งวาจะนั่งธรรมดาที่พะทุกโหมตัวมาโหนตัวมาเนี่ยมันยังไงกันนี่เพ้อเหรอเอาเลยนาทินนะตั้งท่าสู้นเอาถ้าออาวันนี้เอาเอาว่าเลยนะมันเตือนจริงจิงในจิตผมนะว่าเอาเอาเอาจริงจริงนะมันเป็นหินผักกัเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนว้ามันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพี่นาคถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่ถึงจะลูกจากนี่ออกลงเวทีได้บนไงขุดค้นกันลงไปโอ้โห อืไห น, นเป็นทุกทุกเป็นอะไรดูมันเก็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นน่ะเป็นสนามโลกสติปัญญายึดอย่างเาตรงนั้นขุดคน้นตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอง็นทั้งกระดูกแส่กับทุกเป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วก็แยกมาถึงจิตจินเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาเขาัดชัดทอดชัดเขากินก็หมุนเติ้ยอยู่ทีเดียพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริงหนึ่งทุกหายหยับจิต แล้วหายเงียหมดเหมือนกับว่าโลกประธาดับหมดเลยแล้วแต่ความรู้ที่อัศจรรย์เนี่ยสักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียขนาดนั้นน่ะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าศักนี่นะเราจะพูดออกมาที่นี่มันพูดออกอยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่าอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์ เพราะการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นี้แน่เด่นเงี่ยเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะเราพูดเออย่างหนึ่งนั้นพอพอแยกกันได้เต็มสัดเต็มส่วนชาติเจนพาณาชัยหาสสไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนาคับกิจเป็นอันเดียวกันหือไม่กายเหล่านี้ก็เวทนาเป็นเดียวกันมันต่างอันต่างจริงเน้่ต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันแม้ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ ทำกิดให้เอนไปได้เลยยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงกิจได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันกอยู่แค่นั้นแหะอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเแต่ข้าโดยลงจิตได้เห็นเป็นความกินต่างอันต่างกินแล้วจิจต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นแ่ะจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงมันถึงพลังการไม่ดับต่างต่างอันนี้ก็เยี่ยมหัวอันนอยู่นั่นแหละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากอยากอยา ก, อยากให้มันหายนะทุกไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่จะพิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแค่ผู้เดียววาสัตยธรรมถูกขังเนี่ยจำเป็นเป็นของจริงมันเป็นอยังไงมันจริงแค่ไห น, นแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่คนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วเลยขณะทุกบีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้โดยตัญญาเท่านั้นนะ่ะเราจะทนหรือเฉยนี่ไม่จับว่าเป็นนักรบทนนะครับ ต่อยเขาต่อยโอยต้องต่อสู้นี่ตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดได้ว่าคนเรามันได้โง่อยู่ตลอดไปนะถึงเราจนกรอกจนมุงแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดไปเองนะเพราะเห็นเหตุเของอย่างพูดอย่างยๆไม่ได้อวดมันเป็นแน่อย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้เลยครับ อกอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายมันโหวเวลามันห า, หา น, น, านอาหารได้ขนาดอาหารโอเวลาตายมันจะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะก็เวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบถ้ ว, วนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันท่าม่ใช่ทุกเวทนาหน้าที่กพิจารณาการลู่หน้ารู่ตาลู่ตากัากกนอยนี้จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตาย มันแย่งไปแย่งไปดินก็กระจายไปแล้วปะดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของกพิจารณาตามการที่เราเรานั้นดินไอ้ส่วนที่น้ำมันชุ่มชื้นไปในร่างกายของเรานี่อันที่มันชุ่มชื้นลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศแว่ก็ดีแล้วมันก็แห้งไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นดินคืนไปเป็นดินไปเลยนี่ส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำฝรั่งเป็นลมถ้าไปไปใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตาย เดินไปดินหน้ามันน้าลมไปลมไปไันไฟมันไม่เห็นตายมันมันหลอกกันนี่นะว้าโอ้เราเชื่อเขาหลอกมาตักลับตังคัดเชื่อที่เหรียหลอกเราตายตัวตายอะไรไม่เห็นมีอะไรตายจิตก็ยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันจะตายแต่ยังไงมันยิ่งเด่นทังวันโอ้โกหกกันเลมันรู้ได้ชัดโอ้พูดคำอภัยนะพระแม่โหยานไม่กลัวท่านจะตายแต่ก่อน พอภาวนาไม่เป็นพอภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถวมันอยากจะเล่าถวายท่านให้ท่านช่วยอะไรตัว อ, อะไรที่ทจะช่วยได้มันจะมีกําลังมากากว่านี้มีเศษวิสุทธิ์มากิ่กว่าที่ท่านเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยลโอ้ยเล่าถวายแล้อย่างจะฉานแค่นะ <c oughs> ท่านก็มันต้องอย่างนั่นเลยโอ้ยฉันอยู่ห ม, มาค <c oughs> เราเข้ารับหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะ มันต้องอย่างนั้นสิมนยเ่ียกวา น, นักสู้วะ่นะเอออัภานี่มันได้ตายถึงห้าหมันตายหนเดียวเท่านั้นอ่ะฟาปลงไปขุ่นว่ะอย่างนี้ยิ่ยกนักสู้นั่นยกตัอย่างข น, นาดพรุทธเจ้าสลบทงาหว น, นี่ใหมว่ว่ะอันนี้เราสลบไหมนี่นนนเท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะ่ะอะอาลที่นี่ได้หลักแล้วนัน่นท่านท่านทีนะเอาได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วเอาฟาดลงไปใน น, นะน่ะโอ้ยนีทั้งแต่กับจะเข็ <laughs> เราเหมือหมาจะหนึ่งความดันยุ่งนั่นาดกันลงเลยคืนไหนก็คืนนั้นนะ่ะเราไม่เคยผ่าดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตาจริงจริงมัน่านได้ยังไจงจิตนี่มันจะไปเพนผ่านได้หรือลงสลับเป็นสนาตาดทีกว่ามันกองทุกข์จริงๆนี่บังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงเศจษฐธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไร นะฮะไปให้จิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากถําอยู่ในวงเศจษฐธรรมตั้งกต่ขั้นเริ่มเนียตั้งมานี่เราตั้งสัดเจนไปถึงเป็นถึงตายจนหรือถึงตลอดลุ่งเอาตายสู้เพื่อเพื่อทำเท่านั้นจิตจะไปเพี้ยนพันๆไม่ได้เ น, น, นี่นี่แหละมันกองทุกข์อันหนึ่งนะบังครับจากนั้นกัทุกเวทนาเกิดขึ้นเหมือนโอ้ยขันนําหมดเลยเลันหนาวอันหนึ่นทงทั้งทั้งที่เราก็เคยได้นะเราจะอุบานกลับมาพิจารณาไม่ได้นะอืมันเหมือนกับว่าต้องคิดขึ้นมาใหม่ สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแ ล, ล้วระงับดับทุกเวทนางไปได้แล้วรู้แจ้งห็จริงในทุกเวทนาได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สําหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถิดมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาพปฏิบัติที่รู้ไปจากผิดขึ้นในขนาดนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดๆดร้อนร้อนธารวคคันนี้เราเคยพิจารณาแล้วของนั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัตเอามาใช้งานไม่ได้ต้องผิดขึ้นมาใหม่ผิดขึ้นมาใหม่ดึงนั่นเหรอ เหมือนเตี้ยวเตี้วเตี้ ว, วพอมันรอบมันเต็มที่แล้วมึกงก็เฮ้ยตัวก็าร์ดนานเงียบไปเลยแต่บางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้ยังใจหวังมทุกทุกครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญท่านเหรอการไปจิตนาตอน น, นั่งตลอดลงให้ฝนทรมทั้งคืนนะโอ้โหเหมาะที่สุดเลยนะ หน้าหนาวมันจะเป็นอีอย่างมันมเหมือนหน้าฝนว่ะฝนํานั่นแหละพิจนาณาไอ้โหยมันช่วยอุกตูสะายะอําช่วยเมื่อพิญญาเหมือนกับว่าจิตนี่เหมือนกันกับคมเออะมือนกับคิมปากคมค ม, มนี่แหละนีป้าติดป้าติดป้าบติดปา้ป า, ป า, ปาแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วแบทุกเวรบรร า, นานเริ่มเกิดขึ้นบ้างฟาดอีกลองอีกลองอี ก, ลออกตลอดลุ่มลุกไปได้เลย เหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดาสามสี่ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนาเรื่นั้นสามสี่ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งแต่ตั้งแต่ผ่านตลอดลุกมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้สมชั่วโมงกว่านั่งภาวนาสี่ชั่วโมงยังได้นี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงบางทีแปดชั่วโมงก oh ็ได้นี่หมายถึงมันไม่ตลอดลุกนะแปดชั่วโมงก็มีกลางคืนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่สี่ชั่วโมงลงไปแล้วแหะตุกเวตนาใหญ่จะขึ้น ขนาดสามสี่ชั่วโมงนี่ยังไม่เห็นปรากฏห้าชั่วโมงอ่านั่นเริ่มแล้ที่นี่ที่นี่หมายถึงว่าเราเคยนั่งแล้วแต่ะความที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียวสองชั่วงยั ง, ย, งยังไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะร้องไห้หาพอ่อหาแม่ทุกเมตนาบีดหัวมันเนี่ยร่างกายนี้แหละความเคยกินไม่เคยกินนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดลูก ม, มันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนเลยนะบางคืนตั้งหกทุ่มยังลงกันไม่รักมีโอ้โหวั น, น, น, น, น, น, นันั้นนุ่มมัน บอก่้ามากทีเดียวนะมันหลักลงลงลงแํามันเพีงมันล ง, ลงยากลงง่ายลงเดือดขึ้นได้ก็มีแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดแหละบางคืนมันเริ่มตั้งแต่ว่าข้าพอเข้าที่ไปที่กินานั่งไปสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะมันใส่ปันปังลงได้เลยแต่นั่นไม่ยากพัดถอนขึ้มาอีกกินาอีกลงอีกเฮ้ต่อไปต่อขัดสว่างถึงสว่างแนละ้วมันยังไม่อยากออกแล้วมันยังเทินมันอยู่กัน นี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่ามันอยู่โดยพังว่าแบบโอ้จะเอาสักกี่อีกกี่ชั่วโมงนะมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าหน่ะมันยังจะไปมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดลุงนั่ก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์บันนมน์น่ะเวลาก็าต้องออ้องสร้างติดเสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นคิดดูสินั่งตั้งแต่นู้นมาจนกระทั่งซึงเวลาจะบินตะานมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลินมันจะเป็นอย่างนั้นเหรือที่น่าสิ ลุกผึงเลยถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ได้ง่ายนี่โอ้โหไม่ได้ไดนะ <c oughs> เวลาไม่สำคัญสาคัญ ท, ที่กิตที่ลงได้ง่าย ไ, ไง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอบช้านะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายาอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าลรยิ่ยนเพิ่มเพ่าคมอยากเป็นตัญหาเป็นกิเลสเปินกิเลสไม่ต้องห า, หายไม่หายไม่ต้องว่า ทุกเวทนาเราจะขอรู้คําจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นโคตรกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจปิงจริงเหมือนชีวิตขอผมนี่กับทันสานั้นแล้วแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าวรนสานู่นนั่งแตลอดลุงมาตั้งแต่เดินพฤพิธสภาขณะตอนที่กิจมันเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมแลพรอมไปได้เดินเมืองศาลหนัหนนะมันได้ที่พอเดินพฤษภาก็ขึ้นํากันเลย นถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมนั่งการนี่ท่านขาที่สิบเนี่ยผมหักหมมากที่สุดในชีวิตอย่างนั่งบวชพนั่งตลาดลุงตลอดลุงโอ้ห oh, มันสิบกุญต์มันจะเล่นนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเจ็ดคืน บ, าบ้างป้าดจนจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนผดียงผดียงมันถึงในรถนะอไม่งั้นมันจะเจ้าอีกท่านทำไมได้บอกกงท่าน ประเดียงปะเดียงต้องเห็นิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผ่าโผลเดี๋ยวพอไปเตือนนั่นนั่นแล้วมันจะ อ, อนแดไปัคงคิดไปอย่างนั้นผู้เตือนต้องฉลาดหนิไม่ฉลาดกวอะไรเยอะมูดถึงเ่องความเพียเรเกี่ยวัเรื่องร่างกายหางโหมร่างกายนี้มีพรรษาศึกมันก็ตั้งได้ปีนั่นตั้งได้พรรา ที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยนะ่ะมันเครียดแค้นในเรื่ของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเครียดแค้ น, จ ร, นะนจริงๆนะป้าคนในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยหุ่นหนุนฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายไปตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมเป็นไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นพราะเห็นโทษใงความเสื่อมของจิตก็พอ ไม่ไฟในโลกอนี้มาเผาหัวใจเราคนเดีย ว, <อ>วเวลาจิตมันเสื่อมมัเสียดายจิตทําไม่เคยรู้เคเห็นอะไรใช่ไหมันแบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอีกบ้างนีบบง่มันก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาแล้วจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งนีเงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับนล้านไม่ได้นี่ มันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงินเก้าบาทสิบบาทด้วยสองบาทสมบาทเป็นยังไงตรงนี้ก็อยู่ได้สบายมีเงินสองบาทสมบาทเพราะตั้งแต่พ่อแต่แม่โคตรแซ่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์ไปเพินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านเมื่ีมันร่มจมได้เห็นได้เห็นหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินมันจะยังเหลืออยู่ในบ้านัหรือในธนาคารเป็นสร้แสนก็ตาม ผู้นั้นจะไม่เห็นเงินในธนาคารเงินของตัวเป็นนักเส่นั้นมีความหมายเลยเลยนอกจากจากะไปเสียดายในเงินจํานวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกมากเป็นหาเป็นจะเป็นบ้าหรือคนยังไงนี่เราก็ทุกอย่างนั้นเหมือนกันทุกแบบนี้แหละตั้งแต่ฟอนตยังไม่กินยังไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกอะไรธรรมดาธรรมดาพอปิตไปรับความนงบแน่ๆเขา เป็นลำดับลำดับจนแน่ใจจะสองจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นฝังฝังมาเสืออ่อมลงนี้หนะเวลาเสื่อมันไม่เสือ่อมไม่เฉยนะเสือ่อมแันยุ่งมันไม่ว่าราคาไม่ว่าปัญหาที่ใดประเภทใดมันยุ่งหยมยุ่งหยำหยำเงียง่ ย, ยทั้งเสียดายนั่นก็เสี ย, ยทั้งอันนี้เหยียบย่ําทำสล้ยก็เหยียบย่าำสลายทำไมมันจะไม่ผทุกข์มากล่ะตอนมันทั้งบ ม, มันไม่มีอะไรมันสบายนยีเอ๋ยฟัดเหยียบมันก็ทำ ถ, ถ้าเป็นท้าตายาเวลาได้มาแล้วถึง ได้พูดกับเจ้าของเลยเที่ยวมไม่ได้พูดแเรามันมันปักอยู่ในจิตนี่นะ่ะเออ น, นี่ถ้าทีนี้ถ้เสื่อมันไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นมันยิ่งย้อนไปเชื่อนู่นเรื่องพระโคติกัดที่จเจริญทางเสื่อมถึงห้าหนพระโคติกัดหุนที่หกเอามีดคูณมามาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขนาดนั้นใช่ นี่เรื่องหนังสือนิทานเล่นี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อแจ่มใช่ที่มันแจมก็คือว่าพระโคดจิกัร น, นั้นจเจริญทานเสริมถึงห้าครั้งครั้งที่หงเอามีกลมาเลยเจะมาตัดคอเจ้าของเสื่อมคอมขายไปเลยในหนังสือด้วยในขณะนั่นรู้ได้บรรลุ พราละหันในขณะนัน้นแล้วว่ามีโกนและตายด้วยมีโกนน่ะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งเราพญามารได้มาค้นหาริญ ญ, ญาของพระโคติกาตว่างนันพระพุทธเจ้าได้ขู่มานว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเรากคำอำน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกาตลูกศิษย์ของเราถาก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้แต่จะเพราะพวกจงในวัตฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหะ มีพระโคดีการเราไม่ได้อยู่ในหน้าของเกลียดมึงคนหาจนกรทั่งโคตรแค่มื่อถึงวันตามมันก็ไม่เจอเลยมา้านวางเงินภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ในพระตามเราตรงนั้นคือมันมีสนับซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีสนับซับซ้อนผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นกติได้นะี่คือหลักจริงๆนั่นกน็ท่านเสื่อมชานเพิงจากชานเพิ่งห้าห คนที่โหยก็มีคนมาฆ่าตัวเองเก็เลยได้บรรลุธรรมเลยล่นะมันท่นเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนั่นนะมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัตินี่ความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปดากแดงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอันขาดความตั้งแต่นั้นมาโอ้โหความระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นกับอะไรไม่ได้เลย เจ้หัวหมอมีนี่เหมือนนักโทษเลยดันั้ก็ไม่เคยเสื่อมเห็นไม่ไมเสื่อมทังนั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตัต้งเลยในปีน้นแล้วมันก็แน่นปังยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกเป็นเสียงมันนอนเต็มในสมาธิทมานธงมันทํานานมากจริงๆคุณผู้ชสมาธิคนมากกหกญ้าพูดๆโกงหรือมากกหกเราเรื่องสมาธิาเพราะเรานอนจมในสมาธิมาห้าปีเต็มๆว่ะ เหนื่อยเลยแต่ควาแน่วของจิตกำหนดเงเมื่อไหร่ก็ได้เหมันนั่นเอามามาเหมือนกับคนขี้เกียจทีเพราะจิตถอยออกมามากระทบนั่นกระทรบนี่มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหาเงี้ยบไปหมดเลยแล้วแต่ความรล้วนๆแน่วนั่นอยู่เทั้งไรก็อยู่ได้ไม่มีอะไรกวนมันก็ทํามาอยู่แค่นั้นนะมีหมายเป็นความชำนานและทางสมาธิเป็นพระแม่โฮจามันไล่ออกเทปสับเข็งหนัง มันต้องออกมาพิจารณาเพิ่งเวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทําครัวนีมันสมบูรณ์แล้วนแต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็น er okay. ได้ไหมพีกเกิดเป็นพีกผักก็เป mm. ็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั้นอะไรก็เป็นอะ้รอย่างนั้นไม่เป็นแกงไม่ได้สิมื่อมาผสมข้าวันเป็นแกงประเพื่อดยมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธิ่างนั้นมันจะเป็นปัญญาได้อย่างไงนี่เราตึงกล้าพูดนะ ว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะไปเป็นเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจรงจังเพราะเราปฏิบัติเหมือนนั้นเราจนติดสมาธินี่วะถ้าวราสมาธิมันเป็นเป็นปัญญาได้จริงจริงแล้วมันติดตายอยู่ทําไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพานคืออันนี้แหละตัวจับตัวนิพานที่จิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นนิพานทันทีพอแม่โาจะมาเขะอะไอย่างนหนังๆออกพิจารณาก็พุ่งเลยในที่นี้นั่นนี่หมายถึงว่าข้านี้มาข้าผักมาข้าพริกมาข้าวนั่นมาใส่ หม้อนี่ยปุ๋ฝังมึงฝังเข้ามันก็เป็นแกงขึ้นตะเทีในเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่นี่หรือรอบข้างนี่เป็นแียงว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองนี่สมาธิมันพร้อมแล้วเพอออกทางด้านปัญญาก็ากินมันไม่หิวโหยกิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลาะทะเลี่ยมันอิ่มตัวของมันแล้วพระพิจารณาอะไรมันก็ทําหน้าทีมันถึงถึงถึงไปเลยนั่ดีดถึงถึงถ้ามีความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทางสมาธิอยู่มันรู้ตรงไหนมันแยบคลายมันแยบคย ที่เลีขาดไปเป็นว่าเป็นปายไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่นี่อาแล้วนะที่น่นะเพราะว่าเอ๊ะชอบคนชอบคนนันก็โดดถึงนี่ปัญญานีเอาซะทั้งนอนไม่ได้ <c oughs> นั่นมันไม่พอดีนะผมนะ่ะกลางวันก็นอนไม่ไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้สองคืนสมคืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยไม่เข้าใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกันนั่นทางระกาศเรียนก็นี้ มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันมันออกนะพิจาราพิจารณานั่งบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมาสองสคืนนั่นนะมันหลงสังขารออกมาอะไรนะนะท่านใส่พวกอะไรทีนี่ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทําไมพิจารณาก็ไม่รู้เราอาเยอะนั่นนะบ้านสังขารบ้าหลงสังขารบ้าลงสังขารหนัน <c oughs> นกก็ใส่ได้ดีกูเห่าไม่ขึ้นนะคราวนะี้หมอเนี่ยคงถูกคงตัน้นแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอี่นั่นนะจนไม่ทํามันจะตายจริง ลั่งเข้ามาบังเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนที่หูที่หูเมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนะแต่ไม่มีได้ยังไงสมาธิแบบกุศลนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหัวมอยู่นี่หมุนอยู่นี่มันไม่ได้ดูสนใจกับอะไรไม่สนใจกับกิเลสประเภทใดที่มีเกี่ยวข้องตัวพันธนั้นมันเห็นได้ชาติโดยปัญญานันฟากันยามตะตายจริงเหนื่อยมากนะว่า ล้างก็มาบังคับก็มาสู่สมาธิเอาพุโทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ผมพุ่งเส่งานนี่เลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธถีบลงไปเอาบังคับหมห้มันออกคือมันมันจะออกห้างานเนี่ยไม่ออกวนะันะอะไรลยนะอันทั้งงานเนี่ยอันนี้มันทำไม่เสร็จคําว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีมนีนชนะ่ชนะชนะไม่ชนะอายตา ย, ตา ย, ตายชนะเอง พุทโธพุทโธพุทเย็บไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งจิตมันก็ค่อยสงบกลวงไปสงบไปแนวโอ้โหที่นีมันกำลังบางครัเหมือนช่างสารตัวหนึ่งนะสมาบอกไม่ถูกที่นี่นะเพราะมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแนวลงไปเหมือนกับถอดเชี่ยนถอดน้ํำนะทีน่ะนี่ยเรียกว่าสมาธิบํารุงปัญญา สมาธิเป็นเรือนภาคของปัญญาเป็นเรือนภาคของคนทํางานนั่นมันผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเลยมีแต่ปัญญาธาตุดียวไปไม่ไปไม่ไหวตายเพราะนั่นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคี่ยวกันไปตลอดเวลามันจะเป็นจะตางจริงมันไปไม่รอดแล้วก็เห็นอย่างเราเอง มันจะเข้าบางังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วอืสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิข่านั้นนะมันถึงจะเลยน้า ง, งานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักก่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงแล้วที่นี่นะนั่นมันเป็นพเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุบๆไม่ทราบเอาทางสันทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางคมลงใส่ยุบๆไม่มีวันขาด แต่ถ้าจะให้มันขาดมันกขยันปันีอย่างเดยวจะของจะตายนึ่ทํำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมโ น, นปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดๆัดนี่ว่มพอมีกําลังนั้นออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้ความจริงปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละ คนคนเก่านี่แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินนี่บังครั้งนะยังมาเห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมันมีลังมากกว่ามันกหมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีจนกมะทั่งมันถ่านแล้วมันไปได้ถึงไรีรู้ดิฉันเรื่องสมาธิ มีความจําเป็นอย่างนี the ller, the the moon, the ้เองอย่างนี้เองมีย้อนหลังขึ้นมารู้ฟินเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหมู่มคนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั้นแ่ะผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วเนี่ว่าสมาธิสําคัญนะเวลาที่ให้สงบต้องสงบเวลาออกกิจารณาเอายาวห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทํางานแล้วเอาให้ถอยก็มาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่อื่าเขาสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆ อย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดี๋ยวเอาพักอืไม่ต้องห่วงใหญ่กับอะไรเวลาจะเสียไปก็ต า, ามทีม่สำคัญเช่นเดียวกับคาว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหาระสมสมบัตจะเสียไปเช่นข่าวน้นําโพธน้อาหารเงินทองจะเสียไปก็าตามเวลาเวลาจะเสียไปก็าตามมันก็มันหนุนกําลังให้ร่างกายมีกําลังบังชาไปทํางานได้อีกนั่นแหละอืมสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลัง สมาธิดวงปัญญานี่เอง ถ, ถันกล้าพูดไม่มีสมาธิเลยนี่หวา่าเวลาที่เป็นตีพังคนทำงานมันยังพักหยิดทำงานทำไมไม่พักได้เหรอปัญญาาคำคิดตรงในเง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาคิดเล็ไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็ เดืนหนึ่งเมื่อยแล้วมือนกันนี่มันต้องเข้าพักคือไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาระใดแล้วฮะเป็นนั้นจริงจังนะอย่าไปท้าเข้ากันเวลาพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีแต่เรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟ้าลงไปให้พักก็ออกข้อออกจากสมาธิแล้วเอาฟ้าตรงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกั น, กนไม่จําเป็นนอนเมื่อไรจะนอนตั้งกับตั้งกันเหือกิน ก, ก็กินมาแล้วกินในพุงแตกเลยว่างั้นทเทียบปูมา จะทํางานที่นี่เอาทําลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีและนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญในเรานี่มันหนึ่งพลาดก็พลาดมาพอผิด ก, ก็ผิดมาพอความผาดพ้นเราไม่อยากพูจานว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูสิมันดื้อ น, นะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดนที่ท่านว่าหลงทั้งขันท่านว่าสําหรับนิสัยของผมต่างหากนะ ความจริงท่านว่าก็ยามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิีความหมายว่างนี้กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้จึงต้องนั้นั่นมันตรงสังขารมว่างอย่เพราะปัญญาก็เป็นสังขารเนี่ยแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมากนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุ ท, ทัยท่านเอาเด็เดๆใส่ผมเลยเพราะท่านรุ่นนิสัยขอยงผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นนั้นไม่เหมาะ เอาทังหมตั้งรวงตั้งลังตั้งไข่ตั้งแม่เลยเรืด้วยท่นว่าผมเรื่องติดสมาธิเป็นไรเหงื่อเข่อเลยสมาสมาธิทั้งแท่งนนสุกในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมรู้ไหมหนึ่งฟังดิสุกในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันนั่นเองมันจะมีสุกขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทรฐานทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนุ่นอะดูดิความจริงก็คือหมายความว่า การติดในสมาธินั้นเป็นมันเป็นชมุทยัยเท่านั้ น, นท่านไม่ว่างั้นสิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท่งมันตัวสมุ ท, ทัั้งท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนออกจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาตลาดขนาดไหนพวกนี้เจ็นกาเรามาพิาจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับเจดี ย, ย์ทิศายุจริงจริงถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่มาอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้ อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยทำไมตั้งแต่เป็นตัวธรรมดาตั้งแต่รู้ไหมถ้าตอนนั้นงูห่ามันยังขึ้นเฮือมันสมาธิตั้งแต่เป็นตัวธรรมดาตั้งแต่สมาสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะเหนืนอยมัน <laughs> ขงง่ายาไปไดหนเงีเ้ยงูหอบถูกค่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาเขาหนีนเราฟาดกันที่รูตาดาตาเดง พอเรามันก็รู้ของเราเี้ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงไปพิถีพินาคือเราก็มีข้อยนืนยันของเราหนึ่งแต่ของเรามันก็เท่าเท่านี้ของท่านมันไต้เดียยมก็แหลบบบออกบรรกว่าออกกัหน้าบรรญาท่านก่านหน้ามาลงสังขารอนตอนนี้ก็ตอบพรกะถ้าไม่พี่นางก็ไม่รู้อยู่แล้นั่นแล้วบ้านสังขารบ้านหลวงสังขารกันหนักก็อีกที่นี้เหมาะเลยนิ่งนี่กนถุงต่านละก่ีหูหไม่ขึ้นนะก่อนนี้นะไอ้นางก็เป็นอย่างท่านว่าจริงเนี่ย ถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะมันติดติดจริงๆผมติดมาแล้วนมาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็เลยเปิดเบิกออุทธจจะหนันทนี่มันก็รับปันปหปุ๊บความอุทจจะคือความเทินในความเพียรจนเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนในทางสมาธิเข า, าพักสมาธิมันไม่พอดีมย่าี้ไ่ เทินกับความเปลี่ยนไปแค่ที่แต่ลมจะตายมันก็เลว่าเินอุทจักไม่ใช่ิุทจักคูอุจักอันแบบนิวรณห้าที่มีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะมันอุทจักในหมายทั้งเรื่องบน แล้ไม่ทราบวาทังสัท bury, ทท pal, ท ars, ททนทั happens, ha คงคมลงทข้างทั้งอะไรลงด้ามลงอะลงท่านจึงต้องเหตุพักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังบางชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วนี่มันเอาคมลงใส่พวกเอวขาดเนี่ยที่จึงเป็นเื่องหนุนต้องขันมากอุทจารยก็ยอมรับทันทีอ๋ออุทจารมีความหมายอย่างนี้เนี่ยมาณก็ถือจิตถือปุโรดนั่นเอง เต็มบริวิชามันจะอะไรนี่มันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นทนางประมาณหน้าเก้าหนมาเก้านี่ก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมน้าเก้าที่ไหนหน้าเก้าตรงนี้คือมันมากจะเปรียบจะเทียบคือมนมีอันนี้เด่นความรู้นนี้มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเคียมนี่มันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองาน้าเก้าอยู่ตรงนี้ มันผ่านนะถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันจะเทียบกับเทีย ง, ยงนั้นเราเราแต่เราไม่รู้โทรมานไม่รู้อันนี้มันเป็นมานะเก้า 9, นะแต่เวลามันผ่านาไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้เอนั่นเป็นอย่างนั้นเอานั่นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทาจาร์โอ้มีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะมานะคออือธุรกิจอวิชชาคือไม่รู้อันนี่แหละคนหนึ่งอ่ะมันมาลุ้นทีนี้มันมานมันมาเข้าใจหมดเสี้ย มาณฑวิชารูประรูป ร, ราคะอูปราคะมานะฑลรัจจาวิชาอูปราคาก็บหมายทั้งปุ๊บนั่นแล้วพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์ซึ่งเราอยากรูปประชานอรูปประชานกับหมายทังยินดีในเวทนานสุขเวทนามีภายในจิตนั่นอุปราคาอุปราคะคําว่าราคะาราคาเนี่มันไม่หมายเหมือนร า, า ร, ร, าราคาที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละ กินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดตรงนี้อืมอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดตรงนี้อันนี้คําว่าราคาลรูปราคาลูปราคามรณนะอุตสาหะ น, นี่มันก็เหมือนกันคือคำว่ า, ามันพอใจกับนั่นพอใจกับนี่พอใจกับทำขั้นนี้พอใจกับทำขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไม่ได้เป็นปราคาตันหามเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันคนลโลกอย่างอุตสาหะอันนี้กับอุตสากะกูอุตสาหะไ นิวรันห้ามันเป็นคนโลกอุทตจาระผู้จ่าทั้งวรหะและนิวรันห้ามันเป็นเงินธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรันห้าเสมอเครื่องกั้นนี้อุตจาระนี้มันเป็นการย่นเบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดไปออกมาแล้วสิ่ที่าทั่วพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝาละเอียดลูกปราคา่าลูกปราคา่ามารณอุทตจาระ วิชาพอถึงขั้นว้ชามก็หมดปัญหาเมวิชาพังทลายไปจับใจแล้วความยึดใจถือใจถืออะไรเน่ความเป็นรุ่นร่อนเป็นเรื่องที่เด่น ก, กันงานความยึดความถือเป็นเรื่องที่เด่นนั่นรุ่นรุ่นดอนนะปล่อยนั่นวางนี้หยิมนั่นเอา น, นี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวางแล้วปล่อยอะไรวางอะไรมไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปลอยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึก ภาในจิตใจว่าตนจิทของเรามันไปแยบไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองแต่ไม่เป็นเราจำมันมาพูดทุกอย่างน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือมันไปเจอซะเองนะมันก็บมปัญหาไปทุกอย่าง ภาคปฏิบัติมันมีนั่นนะก็ประยะแต่ทีแปลว่าแก่ว้ามันมีขัดแย้งกันอยู่เป็นขั้นตอนเหมือนกันเี่ยทําให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทําให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกหนานี้จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลนแล้วอันนี้ําพันธมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดิม ถ้าคนรธรรมดาไปพูดไปนําเรื่องนั้นออกมาต้อผิดกันนะเอาสมมติว่าพระละหันแต่งเรื่องของพระละหันองค์นั้นองคนั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไรยิ่งจะกลมกืนไปละเอียดให้ปุถุชนไปไปเขียนประวัติของท่านพระละหันองค์นั้นดูซิมันจะเป็เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจารึกในกำพีมาเนี่ยที่เราอ่านกันประดูกมันจะถึงใจที่ตรงไหนอืม เพว่าเป็นกครกางๆไปไรเรื่อยๆเลยมันไม่มีปากไม่มีศักลงไปนี่บ้างนี่เราทีว่ามานาหา้ห้ทาทั้งหมดบบนหา้านี่นะหรือทั้งหมดบงต่หาห้าชากายทิฏีขาทิฏฐิตาปรามาตรูปประลราา ะ, ะ, าะาาคาประดิฆะกามประละคาปริฆะเราก็จำได้คือลคาตไปหมาไป แต่เวลาเราดำเนินอันนี้ไปตามความจริงแห่งการปฏิบัติแล้วอะไรมันมันชัดไปหมดหาต้องใเลยาปกกัตย์ศีลนี่หมายความก้องคแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวโลกกันอ่าไม่พูดงแต่แนวโลกเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามโลกมันจะไปพูดถูกได้ยังไงก็มีแต่คาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อย ผู้เข้าสนามโลกนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามโลกในประสบะการณ์กับอะไรายต่ออะไรนี่นี่นคือผู้ปฏิบัตินั่นเองมื่อเทียบเขาแล้วทางด้านธรรมะสกายติเป็นยังไงพระโสดาภณนะสกายติในสา ม, สามคือสกายติอิจารศิลปศาาับทธรรมะเนี่ยพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยๆตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อแต่แต่เงาตั ว, ต, วตัวจริงไม่ได้ ผู้ท mm ี่เข้าไปผ่านนั้นนี่ผู้บฏิบัตินั่นะผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเพราะนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นเด่นเด่นขึ้นในจิตเลยจิตยงมาทั้งถึงเขบิงบอเอาว่าไปมันถึงใจถึงใจจะผู้บฏิบัติมันเข้าถึงใจนั้นแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่นี้เมื่อจบแปดหมื่นธรรมขันก็เธอจบความจริงที่เงินสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละ ถ้าจะทํามีเต็มหัวใจเนี่ยขังนห้จังใจไม่ทุกอะไรทุกทุกเพราะอะไรสมุทยยัยอะไรจะจังพายทุกเนี่ย <c oughs> มรรคไชยจะจังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาจะย่อๆนะแก่อะไรแก้กิเลสกิเลสดับลงไปแล้วนี่โลดไม่ต้องบอกเนี่ยความดับทุกข์ทุกข์ดับด้วยไอกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกก็ดับแนี่ <c oughs> นี่โลดแล้วมันเป็นยังไง ทานเข้าไปรูนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวลบนั่นแหละมันรู้นี่แหละสัจะจะทําทั้งสี่ที่คือสนามลบเดี๋ยวฟาดมันไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้อไม่ต้องจบแปดหมื่สิพันเระ่อทำอาคารแหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสยัยพออยู่พอกินส <c oughs> ว่างะว่างพออยู่พอกินแล้วก็ไม่หิวไม่ห่วยนี่มันถึงมันเต็มที่สมบูรณ์ในสัจจะทำทั้งสี่เราหิวห่ยที่ไหนไม่นี้ ใครวันนี้พันเที่ยงนี่ไปง่ายๆเลยจะปีปากจับนะำรัองว่ามวอยู่ว่าภาษาเาจะดูดูดูขดพอมพวกเขดีป้าเรามีหาจับเก็บกี่ยวอยูว่ากันตัวเพามันพูดในกรงแหนเนาะตลกก็ได้ดีว่าเมือไงเวลาพูดคดมาจะติดหรือย่างว่าชอบคนนะเทศธรรมป่านี่แตกมากนะ่ึงต้องไม่เล่นด้วยเฉยๆนะต้องลงไปเล่นด้วยถ้าติดจริงๆไม่ว่าเทนมาแก้ปัญหามาพูดอะไร ถ้าอ้าปา่จะจะไม่งับโอ้ยมันเถินมันได้ไล่ไปมันคือตลกบงตลกในวงธรรมะอันนละไม่ตลกนอกขอบเขียงที่ชอบไปใกล้ใกล้เน่ะพิกใกล้ใกล้ปุ๊บปั๊ปุ๊บป๊ออกใกล้ใกล้ต่ยีใกล้กลสวนไมาใกล้ก้เพราะมนั้นเวลามีการถามปัญหานีมันจะเสียยมันหากันเต็มจต็มเลมันเรากกลั่นตอบปัญหา เราอืมอย่างว่าสนใจกุขภาพ ย, ยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายไปพอถึงวันมันเป็นภาวะตายความขาดน้ำสงสารแต่ที่สุขภาพมันรังไปอย่างนี้ลังดูที่ไปกรุงเทพไม่ไปแล้วกี่ปีมาแล้วลองไปดิผมว่าอย่างมากไม่เลยสามวันหามก็โรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้ ว, ลวเขาจะเอาไปไหนหามขึ้นเขียงในก็เขาเอาไปละที่ ก็หามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนต์เรารู้เลยจากชาัดๆภายในใจของเราเพราะะนั้นเราจะไม่ไปเราทราบอย่นี้ใครจะรูทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอ่ะมันจะทานคืนของมนุษย์ได้มากขนาดไห น, นใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขาหน้ากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำ ม, มันก็นลงตั้นานเลย อี่เะันถไม่ตายเข้ามาตามเรื่องเขาก็มาเองเขาก็เข้าม า, เ, มารเราไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ใครตายแต่มันมากแล้วเราก็พักยเอยอะจุดหนึ่งตอนปีใหม่นคนมากมากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมด้านในกลัวนะเพราะมันหมดกําลังเ้าก็ลูกของเราอือเราก็ไม่ไปเสียนเขาก็มันมายุ่งแล้วถ้ายุ่งเท่มันไม่ได้นะเออ จะอยู่ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นม า, นนมาแน่นอยตลอดเวลานคนมาฮะคนไม่พูดได้หรืออันนี้เราไม่ไปนะเขาก็อยู่ตามสถามือเขาอืเรามีที่พรอกครของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจำเป็นบังคับ บ, คบังคับเอาอจนตายได้ถ้าบัญญาตจะมีอะไรจะพูด